เพื่อนแท้ตลอดชีวิตลูกรักลูกเคยคิดบ้างไหมว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของคนเราคือหนังสือหนังสือเป็นเพื่อนเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยามสุขยามทุกยามเศร้าโศกหรือยามเหงาติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะในป่าในเขาหรือในท้องทะเลจนที่สุดแม้ในห้องนอน ไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนลูกอย่าทิ้งหนังสือทิ้งหนังสือก็เท่ากับทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดนะลูกพยายามอ่านหนังสือให้มากๆอ่านหนังสืออะไรก็ได้หนังสือเป็นเหมือนแผนที่ชี้ทางให้เราเดินได้ถูกและตรงอ่านหนังสือมากก็จะมีแผนที่สำหรับดำเนินชีวิตมากเพราะหนังสือก็คือสมองของคนเขียน ซึ่งเขากลั่นกลองมาดีแล้วอ่านหนังสือมากเล่มเท่าไรก็เท่ากับมีเพื่อนมากเท่านั้นเท่ากับได้เพิ่มสมองของคนเขียนเข้ามาไว้ในตัวเรามากเท่านั้นอบายามุกลูกรักอบายามุกต่างๆเช่นเหล้าการพ น, นัน รวมไปถึงบุหรี่ยาเสพติดนั้นก็รู้กันอยู่ทุกคนว่ามันเป็นของไม่ดีเป็นตัวบ่อนทำลายเงินทองสุขภาพร่างกายแล้วก็ก่อความเดือดร้อนให้คนรอบข้างมากมายแต่ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกนี่แหละก็ยังตกเป็นทาสของมันทิ้งมันไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆที่สรรหามาอ้างซึ่งล้วนบอกว่า เป็นความจําเป็นทั้งสิ้นตัวลูกเองลองไตรตรองพิจารณาให้ดีให้ลึกสักนิดว่าสิ่งเหล่านี้เคยให้อะไรดีๆแก่คนติดบ้างเคยให้คุณที่จีรังยั่งยืนหรือเปล่าเคยทำให้ได้ดิบได้ดีหรือไม่ทำให้มีหน้ามีตาขึ้นบ้างไหมเห็นมีแต่ทำลายคนเราทำให้เราตกตา ทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุทำให้เสียเวลาเสียสุขภาพทุกอย่างแล้วอย่างนี้ก็อยากจะถามลูกว่าถ้าเราไปเป็นทาสของมันเข้าจะเป็นการสมควรหรือไม่สมควรกันพิจารณาดูให้ดีความทะเยอทะยานลูกรัก ต้นไม้ที่เกิดบนภูเขาถึงจะมีขนาดเล็กเตี้ยแระอย่างไรก็ยังสูงกว่าต้นไม้ใหญ่ๆที่ขึ้นอยู่เชิงเขาถึงอย่างนั้นก็ตามต้นไม้ใหญ่เชิงเขานั้นอาจจะมีคุณค่ามากกว่าต้นไม้บนเขาก็ได้ที่ยกเรื่องต้นไม้ขึ้นมาพูดก็เพื่อให้ข้อสังเกตแก่ลูกว่าอันความทะเยอทะยานคิดทำตัวให้สูงเด่นเทียมเท่าผู้ที่เขามียศัก์ มีความมั่งคั่งมั่นคงมาโดยชาติตะกูลหรือบรรพบุรุษนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเสียใจยได้ในเมื่อไม่สมหวังลูกไม่ควรคิดทะเยอทะยานอย่างนั้นเพราะความคิดเห่อเหิมทะเยอทะยานยสูงจนเกินตัวทำให้คนเราลืมตัวกล้าทำชั่วทำผิดและได้รับทุกโทษมากนักต่อนักแล้วแต่การที่เรามีความมุมมนะสร้างฐานะ สร้างเนื้อสร้างตัวให้มีฐานะมั่นคงให้มีความงามและมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นก็คือทําตัวให้เหมือนต้นไม้ใหญ่เชิงเขานั้นย่อมเป็นการชอบไม่มีข้อเสียหายหรือข้อหน้าตําหนิแต่ประการใดเลยลูกควรทําตัวอย่างนี้ดีกว่าจะไปเถยอทยานในสิ่งที่เป็นไปได้ยากมีต้นไม้เชิงเขาไม่กี่ต้นหรอกลูกที่ถูกเคลื่อนย้ายไป ปลูกบนยอดเขาและเบ่งบานรัศมีอยู่ได้ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเอากันแค่โตให้เต็มที่อยู่เชิงเขานั่นแหละเป็นดีที่สุดที่แย่ที่สุดก็คือต้นไม้ที่เกิดอยู่พื้นราบซึ่งเตี้ยอยู่แล้วแต่ไม่ยอมเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลอีกก็มีแต่จะถูกเหยียบถูกย่ำร่ำไปล่ะลูก สมบัติของผู้ดีลูกรักเมื่อเราอยู่ในสังคมและจะต้องติดต่อกับผู้อื่นการวางตัวดีพูดจาดีรวมไปถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวดีเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะ น, นั่นเป็นการแสดงถึงว่าเราเป็นผู้ดีได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดีจึงแสดงอากับกิริยาออกมาดีให้คนเห็น เขาเรียกคนเช่นนี้ว่าคนมีสมบัติผู้ดีคนมีสมบัติผู้ดีย่อมได้เปรียบคนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้ในทุกเรื่องทั้งความนิยมนับถือการให้ความสนิทสนมรวมไปถึงให้ความไว้วางใจจนมอบหมายหน้าที่การงานที่สาคัญให้ทำสมบัติผู้ดีก็คือการแสดงอากับกิริยาออกมาในทางเรียบร้อยน่าชม ไม่ขัดหูขัดตาเต็มไปด้วยความนิ่มนวลอ่อนน้อมแล้วก็อ่อนหวานลูกควรฝึกสมบัติผู้ดีไว้ให้เป็นสมบัติประจาตัวเป็นต้นว่าควรแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับวัยไม่ถอดเสื้อผ้าในสถานที่สาธารณะควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ จะพูดจาก็สำรวมปากไม่พูดเสียงดังเออะอวยวายในที่สาธารณะหรือว่าในห้องประชมุมไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังสนทนากันอยู่รู้จักเกรงใจคนอื่นเวลารับประทานอาหารก็สำรวมระวังไม่มุมมามไม่พูดในขณะที่มีคำข้าวอยู่ในปากจะลุกจะนั่งก็สำรวมระวัง ดูให้เหมาะที่เหมาะทางเหล่านี้ก็เป็นสมบัติผู้ดีที่ลูกควรฝึกไว้ทั้งนั้นสมบัติผู้ดีเป็นเหตุให้คนเรามีสเสน่ห์น่ารักและก็เป็นเหตุให้ผู้ใหญ่รักใกล้เอ็นดูอยากจะชูชุบอุปถัมภ์เป็นอาภรณ์ประดับตัวที่นำออกอวดคนอื่นได้ทุกแห่ง เกรงใจลูกรักเมื่อลูกจะทําอะไรไม่ว่าจะทําในบ้านตัวเองหรือทําที่ไหนก็ตามถ้าสิ่งที่ทํานั้นอาจไปทําให้คนข้างเคียงเดือดร้อนรําคาญหรือไปรบกวนคนอื่นลูกต้องระวังมากๆอย่าทําอะไรตามใจชอบหรือถือสิทธิ์ว่าทําได้ควรเกรงใจคนอื่นเข้าบ้างอยู่บ้านติดกัน อยู่ห้องติด ก, กันอยู่ห้องเดียวกันเกรงใจกันไว้แหละดีจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ทำให้ผิดใจกันเสียเปล่ า, ลาสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูหากจำเป็นจะต้องทำก็ควรบอกให้เขารู้ล่วงหน้าหรือขออนุญาตเขาก็ยิ่งดีไม่เสียหายอะไรหรอกเมื่อเราเกรงใจเขา เขาก็จะเกรงใจเรายินดีอนุญาตและทนรำคาญทนเดือดร้อนชั่วคราวได้ข้อนี้ขอให้ลูกเอาใจเข้ามาใส่ใจเรารู้สึกถึงอกเขาอกเราด้วยอย่าทำอะไรตามใจชอบขอให้ลูกจำไว้เถอะว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีเป็นยาเสน่ห์เป็นมารยาททางสังคม และทำให้ไม่ต้องผิดใจกับใครโดยไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นอยู่ในห้องประชุมคนอื่นเขาตั้งใจฟังแต่เราเอาแต่คุยเสียงดังทำให้คนอื่นเขาราคาญหนวกหูเราประกอบอาชีพหรือซ่อมแซมอะไรที่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านหรือห้องข้างเคียงทำให้เขาเดือดร้อนอย่างนี้เราต้องเกรงใจ ต้องบอกเขาบ้างถ้าจะต้องทำนานๆก็ต้องเกรงใจเขาให้มากๆอย่างนี้จะได้ไม่มีเรื่องอะไรมากอย่าไปคิดแบบนักเลงว่ามีเรื่องก็ดีความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่นึกถึงหัวอกคนอื่นลูกอย่าได้คิดอย่างนี้เลยมันเป็นเรื่องที่น่าละอายมากกว่า มารยาททางสังคมลูกรักการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือมารยาทมารยาทสังคมเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่การแสดงสัมมาคารวะมารยาททางสังคมเช่นนี้เป็นอาภรณ์ประดับตัวดีกว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับหรูหราราคาแพง ลูกควรฝึกฝนปฏิบัติมารยาททางสังคมเหล่านี้เข้าไว้ให้คล่องแคล่วเคยชินเวลาทำจริงจะได้ไม่เคอะเขินเวลาไปพบปะติดต่อกับผู้อื่นก็ดีไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหากลูกรู้จักและปฏิบัติมารยาทสังคมได้ดีลูกจะได้คะแนนนิยมเป็นพิเศษจากผู้ที่ลูกไปหาเขา มารยาททางสังคมนี้เป็นเสน่ห์ของคนอีกอย่างหนึง่งเหมือนกับความเกรงใจไม่ว่าใครล้วนแต่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะพูดจาอ่อนหวานรู้จักวางตัวดีด้วยกันทั้งนั้นคนมีความรู้ดีมีฐานะดีแต่ขาดเสน่ห์คือมารยาทสังคมจะน่ายกย่องนับถือได้อย่างไรล่ะลูก ความหลงลืมลูกรักในบรรดาคุณธรรมหรือความดีที่เราควรมีควรประพฤตินั้นท่านว่าสติเป็นยอดหมายความว่าสติสำคัญที่สุดสติคือความระลึกนึกได้รวมไปถึงความรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่หลงลืมไม่เผลอพลอพลยในทางปฏิบัติเมื่อเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี คิดให้รอบคอบอย่าวู่วามอย่าใจเร็วด่วนได้จะได้ไม่ผิดพลาดและทำอะไรไม่บกพร่องแม้อาจจะผิดพลาดและบกพร่องไปบ้างก็จะเสียหายน้อยเพราะได้คิดไตรตรองมาดีแล้วการคิดอย่างรอบคอบนี่แหละคือตัวสติดังนั้นลูกควรตั้งสติให้มั่นคงเข้าไว้ โดยการนึกล่วงหน้าไว้เสมอว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างคือวางแผนไว้ล่วงหน้านั่นเองนี่ก็เป็นหลักของสติเหมือนกันคนที่มีสตินั้นจะไม่เผลอพลย่ยไม่ผิดพลาดไม่ผิดนัดแต่จะถูกต้องตรงเวลาและได้รับผลตอบแทนที่ดีงามเสมอ ผิดกับคนที่ขาดสติจะทำอะไรก็มักผิดพลาดเผลอพลายทำให้เสียงานทำให้เสียหายร่ำไปคนที่ถูกเรียกว่าคนหลงหรือคนหลงลืมนั่นก็คือคนที่ชอบเผลอพลายไม่รักษาสตินั่นเองยาบำรุงหัวใจ ลูกรักลูกรู้ไหมว่าขนมก็ดีอาหารก็ดีเงินทองหรือสิ่งของอะไรก็ดีที่ลูกเอามาให้พ่อหรือให้แม่เมื่อลูกมาเยี่ยมเยือนนั้นมันเป็นยาวิเศษที่ทำให้พ่อกับแม่ชื่นใจนะักเพราะมันเป็นของลูกเป็นของที่ลูกเอามาให้แม่ของอย่างนั้นพ่อกับแม่จะมีอยู่แล้ว แม้พอจะหาซื้อหาใช้หรือพอจะทำกินเองได้แต่ก็สู้ของที่ลูกเอามาให้ไม่ได้หรอกลูกน่ากินน่าใช้กว่าเพราะมันเป็นของผสมด้วยน้ําใจของลูกด้วยไงละ่ะลูกมาให้พ่อแม่ได้เห็นหน้าก็ชื่นใจมากอยู่แล้วแต่ก็ชื่นใจมากขึ้นมากขึ้นไปอีกเมื่อลูกยังมีของฝากมามอบให้ แต่ก็ชื่นใจมากขึ้นไปอีกเมื่อลูกยังมีของฝากมามอบให้กับมือของลูกอีกส่วนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจพ่อแม่ให้ชื่นบานไปได้นานเลยทีเดียวยาอะไรจะมาบำรุงหัวใจได้ดีเท่ายาประเภทนี้ล่ะลูกเอ้ย ระวังคําหวานลูกรักถึงแม้ว่าคนโบราณจะสอนกันว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายดังนี้ก็ตามแต่ลูกควรระวังคําพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคําพูดหวานหวานน้าคาหวานหวานของคนบางคนที่ทำให้เราเมาได้เหมือนกัน พอเมาแล้วก็ทําให้หลงเสียรู้เสียท่าบางครั้งถึงกับเสียเงินเสียทองให้เขาอย่างที่ไม่น่าจะเสียเพราะไปเชื่อคําหวานของเขาข้อนี้ขอให้ลูกพิจารณาให้ดีใครจะมาพูดจาวันหวานยกยอว่าเราดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ลูกจะต้องระวังไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปหลงไหลได้ปลื้มกับคําพูดของเขา ลูกจะได้ไม่เสียใจในภายหลังปลาที่ตายไปส่วนหนึ่งเพราะถูกเขายกยอขึ้นมาถ้ามันไม่ติดยอมันก็ไม่ตายเรื่องเป็นอย่างนี้ลูกจึงควรระวังจะถูกยกยอแล้วตายไปเหมือนปลาติชมเป็นลมปากลูกรักเวลามีคนมาติหรือชมเรา จะต้องตั้งสติให้ดีอย่าลอยไปตามลมปากของเขาเป็นอันขาดหากเขาติหรือชมเราก็ลองคิดดูว่าเราเลวเราแย่อย่างที่เขาติหรือไม่หากว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่ควรไปโกรธเขาหากไม่เป็นจริงก็คิดซอว่าเขาไม่รู้จักเราจริงเรื่องราวก็จะไม่ลุกลามบานปลายใหญ่โต หากเราดีจริงอย่างที่เขาชมก็แสดงว่าเขารู้จักเราจริงหากเราไม่ดีอย่างที่เขาชมเราก็ไม่ควรจะเหลิงไปลมๆแล้แงๆแสดงว่าเขาชมตามมารยาทหรือเพราะเข้าใจผิดถ้าคิดได้จำได้อย่างนี้ก็จะไม่มีอาการขึ้นๆลงๆไปตามคำติชมของคนอื่นคำติชมเป็นเพียงลมปาก ผ่านมาก็ผ่านไปมันทำให้เราดีหรือเลวไม่ได้หรอกใครหลงไปกับคำติชมก็จะมีแต่บ้าโดยใช่เหตุประการเดียวมองในแง่ดีแง่ร้ายลูกรักการที่ลูกยกย่องหรือยอมรับใครสักคนว่าเป็นคนดีนั้น จะต้องดูให้รอบครอบก่อนและดูกันนานๆอย่าคิดแต่เพียงเฉพาะหน้าเช่นคิดว่าคนนี้เขาดีต่อเราช่วยเหลือเราหรือพูดจาดีกับเราเราก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีความจริงคนที่เขาดีต่อเราไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดีจริงๆที่เขาดีต่อเรานั้นอาจเป็นเพราะเขาหวังอะไรจากเรา หรือเราสามารถทำสิ่งที่เขาต้องการได้เขาก็ย่อมดีต่อเราเป็นธรรมดาคนที่ดีจริงๆนั้นจะต้องดีต่อเราทั้งคนอื่นด้วยทำนองเดียวกันเขาดีต่อคนอื่นแต่ไม่ดีต่อเราก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีนั้นจะต้องไม่ดีทั้งต่อเราและคนอื่นด้วยที่ยกเรื่องนี้มาบอกลูก ก็เพื่อให้ลูกรู้ไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่เชื่อคนง่ายๆไม่ถูกเขาหลอกและจะไม่กล่าวหาใครง่ายๆว่าเป็นคนไม่ดีหรือไม่ต้องการให้ลูกมองคนในแงด่ดีหรือแง่ร้ายโดยส่วนเดียวนั่นเองยารักษาใจ ลูกรักขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครปรารถนาแน่นอนแต่ทุกคนก็มีทุกติดตัวกันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องมีเพราะท่านว่าทุกมีสองอย่างคือทุกทางกายกับทุกทางใจทุกกายแก้ได้ด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค แต่ทัดทุกใจนั้นท่านว่าต้องแก้ด้วยธรรมะธรรมะเป็นยาแก้ทุกทางใจเป็นยาหอมบำรุงหัวใจเป็นที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อมีทุกทางกายได้อาหารเป็นต้นมารักษาก็หายแต่ทุกทางใจต้องใช้ธรรมะมารักษาคนที่ไม่เห็นความจริงข้อนี้เมื่อมีทุกทางใจก็จะทุกข์หนัก ว, าว้าวเศร้าส้อย ส่วนคนที่มีธรรมะและปฏิบัติธรรมจะมีภูมิต้านทานทุกขทางใจได้ดีกว่าคนปกติแม้จะเผชิญกับทุกข์ก็บรรเทาทุกข์ได้เองแล้วก็สามารถหาความสุขได้แม้ในยามทุกข์เข็นลูกจงฝึกฝนทําความเข้าใจในธรรมะให้ดีเถอะจะเข้าใจเองว่าธรรมะนั้นดีอย่างไร การครองใจคนลูกรักเจ้านายที่ใจดีมีความยุติธรรมเห็นอกเห็นใจและเป็นกันเองกับลูกน้องไม่เอารัดเอาเปรียบหรือกดขี่เบียดเบียนลูกน้องลูกน้องย่อมจะประทับใจและให้ความเคารพยำเกรงทั้งต่อหน้าและลับหลังเมื่อลูกมีโอกาสได้เป็นเจ้านายหรือเป็นผู้บังคับบัญชาคน ก็อย่าลืมความจริงข้อนี้ถ้าอยากให้ลูกน้องรักและจงรักภักดีมากกว่าทำในสิ่งที่ทำให้เขากลัวแต่ไม่ยำเกรงผู้ปกครองที่ใช้ประเดษมากกว่าพระคุณจะมีแต่คนกลัวแต่ไม่ประทับใจและไม่เกิดความจงรักภักดีส่วนผู้ที่ใช้พระคุณมากกว่าประเดษ คนเขาก็จะทั้งกลัวทั้งเกรงและประทับใจเรียกว่าปกครองเขาได้ทั้งกายและใจผู้ใหญ่ที่คิดครองใจคนโดยใช้อำนาจทางการบังคับบัญชาทำให้เขาเกรงกลัวนั้นนับว่าเข้าใจผิดโดยแท้อำนาจที่แท้จริงนั้นเกิดจากการสร้างความประทับใจเป็นสำคัญ ความประทับใจย่อมเกิดได้จากการให้จากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักเช่นให้เงินทองสิ่งของเครื่องใช้ให้กำลังใจให้ความเป็นกันเองให้คำแนะนำที่ดีให้คำปลอบใจให้อภัยให้ความอบอุ่นรวมไปถึงให้เกียรติให้การยกย่องเชิดชู ด, ด้วย ถ้าต้องการจะครองใจคนตลอดไปก็ต้องฝึกให้สิ่งเหล่านี้แก่เขาและให้บ่อยๆการปกครองคนก็ดีก็คือปกครองใจคนและการปกครองใจคนที่ดีที่สุดคือปกครองให้เขาเกิดความประทับใจเมื่อเขาเกิดความประทับใจแล้วปัญหาในการครองก็แทบจะไม่มีเลยทีเดียว คนยาขมลูกรักคนบางคนอาจจะพูดจาไม่เพราะหูตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันผู้ฟังจะไม่ชอบแต่คนอย่างนี้ต้องดูให้ลึกๆดูให้นานๆเพราะมักจะเป็นคนที่ดีที่น่าคบหาได้อยู่ในประเทศคนยาขมคือมีลักษณะเหมือนยาขม ตามปกติยาขมนั้นจะเป็นยาดีมีประโยชน์ดังที่คนโบราณกล่าวว่าคนซื่อกล่าวคาไม่เพราะหูแต่เป็นประโยชน์ในการภายหน้าเหมือนยาดีที่ขมปากแต่เป็นประโยชน์แก่คนไข้ตรงกันข้ามบางคนพูดจาไพเราะแต่อาจเป็นอันตรายต่อเราได้ เพราะฉะนั้นการจะตัดสินใจว่าใครดีไม่ดีด้วยคำพูดของเขาเพียงอย่างเดียวนั้นดูจะเป็นการเสี่ยงความผิดพลาดไม่น้อยข้อสําคัญคือต้องค่อยๆดูพิจารณาว่าปากกับใจตรงกันหรือเปล่าเป็นคนละประเภทเป็นคนยากจนหรือประเภทน้ำตาลหรือทั้งประเภทยาพิษต้องดูให้ดีๆ ผิดชอบลูกรักเมื่อลูกทางานของตัวเองหรือว่าได้รับมอบหมายให้ทางานอะไรสิ่งที่ลูกต้องยึดถือให้มั่นคงที่สุดก็คือความรับผิดชอบสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบนั้นก็คือการที่มีความตั้งใจมีความจริงในการทำงานนั้นๆให้สาเร็จไปด้วยดีเรียบร้อยแล้วก็ทันตามกำหนดเวลา ไม่ต้องให้ใครมาคอยจาจี้จำชัยบ่อยๆไม่ต้องให้ใครมาคอยกระตุ้นเตือนให้ทำแต่เตือนตัวเองเสมอว่านี่เป็นงานที่ตนจะต้องทำคนที่ทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่มีความรับผิดชอบดีเป็นที่ต้องการของหมู่คณะนะและคนเช่นนี้ก็จเจริญก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนที่ขาดความรับผิดชอบ คนที่ปล่อยปลาละเลยหน้าที่ของตัวหรือคนที่ทำงานแบบไม่เต็มใจแบบเสียไม่ได้อย่างที่พูดกันในสมัยนี้ว่าแบบเช้าชามเย็นชามลูกทราบดังนี้แล้วจึงควรฝึกให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบวิธีฝึกก็ไม่ยากนะักเริ่มต้นด้วยการเตือนตัวเองให้ได้ก่อนเตือนตัวเองว่านี่เป็นหน้าที่ของเรา เป็นงานของเราเป็นเรื่องของเราที่ตัวเราจะต้องจัดต้องทำและเมื่อลงมือทําก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดทาจนสุดกาลังและเรยวแรงที่มีอยู่แสดงความรู้ความสามารถให้เต็มที่ผลที่ได้ก็จะเกิดแก่ตัวเราเองเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลโดยตรงอย่างนี้เป็นต้น เตือนใจตัวเองอย่างนี้อยู่เสมอเสมอความรับผิดชอบก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแก่ลูกนานเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนรับผิดชอบที่ดีเยี่ยมไปโดยอัตโนมัติโอกาสทองลูกรักคนบางคนมีอำนาจวาสนามีบารมีสูงมีโอกาสไปนั่งอยู่ในสถานะที่สูง พอที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญของบ้านเมืองและก็สังคมได้มากแต่ก็ไม่ได้ทำทำให้เสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้เพราะเขาคงไม่ได้คิดถึงข้อนี้คิดแต่เพียงว่าตาแหน่งหน้าที่ของตนได้รับนั้นเป็นเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตัวแล้วก็เป็นทางที่ได้มาซึ่งลาภผลส่วนตัวจึงมุ่งแต่จะรักษาเกียรต รักษาประโยชน์ไว้เท่านั้นแท้จริงนั้นหากเขาได้มีโอกาสทองในขณะนั้นสร้างสรรสิ่งที่ดีๆให้บ้านเมืองไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิตสักอย่างหนึ่งนั่นแหละคือเกียรติยศและประโยชน์ส่วนตัวของเขาตลอดการแม้ออกจากตำแหน่งนั้นไปแล้วคนก็ยังกล่าวขานถึงอย่างยกย่องสำหรับตัวลูกเอง ถ้ามีโอกาสอยู่ในฐานะบารมีสูงอย่างนั้นบ้างก็อย่าลืมอย่าเผลอใช้โอกาสทองนั้นสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นอนุสรณ์ชีวิตไว้บ้างเพื่อเป็นผลงานที่จะกล่าวถึงด้วยความภาคภูมิใจคิดไว้เสมอตั้งใจทำให้ได้ไม่อย่างนั้นฐานะตำแหน่งนั้นก็จะทำให้ลูกเสียโอกาสทองแล้วก็อาจจะทำให้ลูกเสียคนโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ฟังหูไว้หูลูกรักในวงสนทนานั้นย่อมจะหนีไม่พ้นการพูดจากันจนเลยเถิดโดยยกเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มานินทามาวิจารณ์กันลูกจะต้องทำใจให้หนักแน่นในเรื่องนี้ทำหูให้หนักเข้าไว้อย่าเป็นคนหูเบาเชื่อคำพูดของใครง่ายๆโดยเฉพาะถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะบางคนพูดไปโดยไม่ได้รับผิดชอบพูดไปตามใจที่อยากจะพูดไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบว่าจะทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายอย่างไรนึกอยากจะพูดก็พูดบางคนก็พูดด้วยความสนุกปากอยากเห็นคนฟังเต้นไปตามคำพูดของตัว เขาเรียกคนประเภทนี้ว่าปั้นน้ำเป็นตัวบางคนพูดเพราะว่าต้องการให้แตกแยกกันต้องการกดคนอื่นไว้มีสารพัดเรื่องสารพัดความต้องการลูกฟังคนเหล่านี้พูดแล้วต้องช่างใจให้ดีอย่าได้เชื่อทันทีฟังหูไว้หูก่อนต้องพิสูจน์ต้องพิจารณาให้รอบด้าน ลูกจะได้ไม่เสียใจไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังคนหูเบานั้นทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเสียคนเสียเครดิตไม่เป็นที่รักนับถือของใครๆมามากแล้วและความเป็นคนหูเบานั้นทำให้สามีภรรยาต้องอย่าร้างแยกทางกันเดินทำให้ครอบครัวล่มจมอยู่ไม่เป็นสุข หวาดระแวงกันหรือว่าต้องรัฐทมทุกกันทั้งสองฝ่ายมามากต่อมากแล้วระวังตัวไว้ก่อนเป็นดีการใช้คนลูกรักการมอบหมายให้คนไปทำงานซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าใช้คนนั้นจะต้องดูให้รอบครอบถี่ถ้วน ดูทั้งงานดูทั้งคนคือต้องใช้คนให้เหมาะกับงานใครมีความถนัดทางไหนมีประสบการณ์ในงานนั้นอย่างไรรวมไปถึงความรู้ความรับผิดชอบความไว้วางใจของเขาเป็นอย่างไรต้องดูให้ดีถ้าใช้คนให้เหมาะกับงานก็จะทำให้งานเดินได้อย่างคล่องไม่ติดขัดหากใช้คนไม่เหมาะกับงาน ใช้คนที่ขาดคุณสมบัติใช้เพราะเห็นแก่หน้ากันหรือใช้โดยไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนอกจากจะทำให้งานไม่เดินแล้วยังอาจทำให้เกิดความเสียหายอีกด้วยมีตัวอย่างให้เห็นไม่น้อยที่ผู้ใหญ่เลือกใช้คนที่ไม่เหมาะกับงานไปมอบงานที่ต้องเสี่ยงต่อความเสียหายสูงให้กับคนที่ขาดประสบการณ์ทำ จึงทำให้กิจการนั้นๆหยุดชงะงักก้าวหน้าไม่ได้บางแห่งใช้คนเป็นพวกพ้องหรือเด็กฝากที่ขาดคุณสมบัติข้างต้นไปทำถึงทำให้กิจการหรืองานส่วนรวมเสียหายก็มีดังนั้นเมื่อลูกจะใช้ใครจะมอบหมายให้ใครทางานก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีใครก็ตามแม้จะไม่ใช่พวกพ้องของเราหรือมีความรู้ไม่มาก แต่มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบสามารถทำงานที่ลูกต้องการสำเร็จได้ด้วยดีก็ควรที่จะใช้เขาดีกว่าจะใช้พวกพ้องแต่ไม่เป็นงานทำไปไม่ควรเอางานมาเสี่ยงกับคนที่ขาดฝีไม้ลายมือเพราะว่าจะทำให้กิจการของลูกไม่ก้าวหน้าหรือถึงกับให้ล้มได้อย่าเสี่ยงดีกว่านะลูก ระเบียบวินัยลูกรักแจกันดอกไม้ที่ใครเห็นใครชมว่าสวยนั้นขึ้นอยู่กับคนจัดเข้าใจจัดแต่งดอกไม้บางชนิดแม้จะดูไม่สวยแต่ถ้าคนจัดมีฝีมือก็สามารถจัดให้สวยได้ตรงกันข้ามดอกไม้แม้จะสวยอย่างไรแต่ถ้าคนจัดไม่มีฝีมือก็ทำให้แจกันดอกไม้นั้นดูเป็นธรรมดาธรรมดา ไม่น่าสนใจอะไรสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านก็สามารถทำให้บ้านดูสวยงามมีสเสน่ห์ได้ถ้าเจ้าของบ้านรู้จักจัดแต่งคนเราก็เช่นกันจะเป็นคนดูมีสเสน่ห์น่ามองก็ต้องอาศัยเจ้าตัวจัดแต่งตัวเองไม่ว่าดอกไม้สิ่งของหรือแม้กระทั่งคนเราที่ดูสวยงามนั้นได้ ก็เพราะรู้จักตัดแต่งให้เข้าระเบียบระเบียบเป็นเครื่องมือจัดแต่งให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามน่าดูน่าชมคนเราจึงควรมีระเบียบและจัดระเบียบเพื่อให้ทุกอย่างดูสวยงามลูกเองก็เช่นเดียวกันถึงจะขาดแคลนอะไรไปบางอย่างแต่ก็อยากขาดระเบียบในตัวเองทำอะไรให้เป็นระเบียบเข้าไว้ จัดระเบียบให้ตัวเองในเรื่องเวลาในการทำงานในการทำกิจประจำวันโดยที่สุดในการเข้าสังคมก็ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเจ้าระเบียบจนอึดอัดเสียทีเดียวเพียงอย่าให้เข้าข่ายเป็นคนมักง่ายเสียทุกเรื่องเท่านั้นก็ดีถมไปแล้วลูกแต่ถ้าหากว่าเป็นคนเคร่งครัดในระเบียบได้ก็เป็นการดีที่สุดหากลูกเป็นคนมักง่ายไร้ระเบียบ ลูกจะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นได้อย่างไรความดื้อรัน้นลูกรักในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนหรือว่าสามีภรรยาย่อมจะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรกกลางอยู่เสมอสิ่งนั้นก็คือความเข้าใจผิดกันซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา ยิ่งเป็นสามีภรรยากันด้วยแล้วมักจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายและบ่อยกว่าเป็นอย่างอื่นอย่าลืมว่าความเข้าใจผิดก็คือความเข้าใจไม่ถูกผิดไปจากความเป็นจริงความเข้าใจผิดนี้มันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเป็นความเข้าใจของตนฝ่ายเดียวซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยตนเข้าใจเพียงคนเดียวว่ามันถูก เขาจึงเรียกความเข้าใจผิดคนที่มีความเข้าใจผิดผิดมักจะมีความดือ้อรั้นไม่ยอมฟังเสียงใครคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวคนอื่นไม่เข้าใจตัวเองทําให้ทําไปทามาเลยไปกันใหญ่ต้องถกเถียงกันไม่ยอมลดลาวาสอกให้แก่กันท้ายที่สุดก็แตกกันมองหน้ากันไม่ติด ลูกควรจำไว้ว่าความดื้อรั้นเพราะความเข้าใจผิดนั้นไม่เคยให้คุณแก่กใครเลยมีแต่จะทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความไม่สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นสามีภรรยากันเป็นเพื่อนกันจะมาดื้อรั้นทิฐิมานะกันทำไมละลุกหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกันเสียจะได้สบายใจด้วยกันไม่ดีกว่าหรือ Thank mm -hmm. you.